วันนี้เป็นวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนานี้ มีวันสำคัญอยู่สามวันด้วยกันวันแรกก็คือวันขึ้นส5บห้าค่ำเดือนหที่เราเรียกว่าวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุพระอนุตตรสัมมาสัมปวิยานได้ตัดสรุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พบกับพระนิพพานที่เป็นแดนที่มีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์นี่คือวันสำคัญวันแรกของพระพุทธศาสนาวันตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าวันวิสาขาบูชา วันสำคัญวันที่สองก็คือวันอาสาหบูชาตรงกับวันเพนเดือนเดือน8คือสองเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้พระองค์ก็ทรงประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกเป็นครั้งแรกวันนั้นเรียกว่าวันอาสาหบูชา มีการแสดงธรรมแสดงหลักของพระพุทธศาสนาแสดงทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ฟังที่ฟังก็คือพระปัญจวัคคีนี่คือวันสําคัญวันที่สองของพระพุทธศาสนาวันที่สามก็คือวันนี้วันเพ็ญเดือนสาม เรียกว่าวันมาคะบูชาเพราะว่าในสมัยพุทธกาลเดือนสามนี้มีชื่อว่ามาคะจึงเรียกว่าวันมาคะบูชาวันมาคะบูชานี้ก็มีเหตุการณ์สำคัญอยู่คือหนึ่งเป็นวันที่มีพระอาหารหันตาสาวกของพระพุทธเจ้า 1,250 รูปได้เดินทางมาจากสารธทิตต่างๆเพื่อมากราบมาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้ดัดหมายกันไว้ก่อนและพาาระอรหันตสาวกทั้ง 1,250 ันรรูปนี้ก็เป็นพระที่พระพุทธเจ้าทรงบรรทรงอุปสมบทให้ทรงบวชให้ด้วยวาจาที่เรียกว่าเอหิภิกขุ ย o มาเป็นภิกษุเถิดและในวันนั้นพระองค์ก็ได้ทรงแสดงหลักสูตรของอพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี้ก็เปรียบเหมือนกับสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนกับผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมา แล้วหลังจากที่ได้ทรงสั่งสอนก็มีผู้ได้เรียนสาเร็จคือพาอาระอรหันต์าวกทั้งหลายพาาระอรหันตสาวตทั้งหลายท่านก็มาขอรับหลักสูตรจากพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้ไปก่อตั้งสาขามหาวิเชยาลัยตามเขตต่างๆในวันนั้นก็เป็นเหมือนกับการประชุมของ อธิการบดีของมหาวิทยาลัยสาขาต่างๆของพระพุทธศาสนาพาาาระอรหันตา์าวกหนึ่งพันสองรอห้าสิบรูปนี้ก็เป็นเหมือนอธิการบดีของสาขาต่างๆที่ได้มาประชุมมาสัมมนามารับคำสั่งจากพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงหลักสูตรของพระพุทธศาสนาให้ไปใช้หลักสูตรนี้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่ยังมีความวุ่นวายกับการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ หลักสูตรที่จะทําให้สัตว์โลกนี้สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็มีอยู่สามข้อใหญ่ๆที่พระองค์ได้ทรงแสดงในวันมาฆบูชานี้ข้อที่หนึ่งทรงตรัสไว้ว่าจงละการกระทําบาปทั้งปวง 2. จงยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม 3. จงชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือหลักสูตรของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ที่มาก่อตั้งพระพุทธศาสนาจะใช้หลักสูตรนี้ในการเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกทั้งหลาย ผ้าหลานตสาวกที่จะไปเปิดสาขาต่างๆก็ให้นำเอาหลักสูตรนี้ไปเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกเพราะเป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติตามได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือวันสำคัญของพระพุทธศาสนา เรียกว่าเป็นวันประชุมของอาธิการบดีของมหาวิทยาลัยสาขาต่างๆของพระพุทธศาสนามาร่วมประชุมมาร่วมสัมมนากันเพื่อจะได้ปฏิบัติไปในทิศทางอันเดียวกันเผยแผ่คำสั่งคำสอนไปในทางเดียวกันคือสอนให้ทุกคนที่มาศึกษา ละการกระทำบาปทั้งปวงสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมและชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าสามารถปฏิบัติตามหลักสูตรทั้งสามข้อนี้ได้ผู้ปฏิบัติก็จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือสิ่งที่พวกเรามาศึกษากันมารับรู้กัน เพื่อที่เราจะได้น้อมนาเอาไปปฏิบัติกันเพราะพวกเราทุกคนก็อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายอยากจะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายกันเพราะการเกิดแก่เจ็บตายนี้มันเป็นความทุกข์นั่นเองเกิดมาแล้วก็ต้องทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกาย แล้วก็ต้องมาทุกกับความแก่ของร่างกายทุกกับความเจ็บทุกกับความตายของร่างกายตายไปแล้วก็ยังกลับมาเกิดใหม่อีกแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาสมัครเข้ามาหาวิทยาลัยของพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามคำสอนของมาหาวิทยาลัยของพระพุทธเจ้า พวกเราก็จะสามารถยุติการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายได้ถ้าเราเรียนสำเร็จในภพนี้ชาตินี้เราก็จะไม่มีภพชาติอีกต่อไปเราจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเพราะทุกข์ย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังมีความทุกข์อยู่ และตาบใดที่ยังไม่มีการได้พบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้นับเอาคําสอนเอาหลักสูตรของพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติตาบนั้นก็ยังต้องกลับมาเกิดมาแกม่มาเจ็บมาตายอยู่ต่อไปอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วได้น้อมนับน้อมรับเอาหลักสูตรของพระพุทธศาสนาไป บัก็จะสามารถยุติการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้นี่คือความสำคัญหรือคุณค้าของพระพุทธศาสนาที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถทำให้พวกเราหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้มีพระพุทธศาสนาเพียงสถาบันเดียวเท่านั้น ที่จะสามารถทำให้พวกเราไม่ต้องกลับมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้นานๆจะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏขึ้นมาในโลกสักครั้งหนึ่งเพราะนานๆจะมีคนที่มีความรู้ความฉลาดความสามารถที่จะค้นพบวิธีที่จะหยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้นั่นเองพวกเรา ถือว่าได้เกิดมาในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเป็นยุคทองเป็นบุญเป็นกุศลเป็นโชคอันยิ่งใหญ่ของพวกเราที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและมีโอกาสได้เข้ามาศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าพวกเรามีความแน่วแน่ต่อคำสั่งสอนและมีความแน่วแน่ต่อการปฏิบัติตามคำสอนไม่ช้าก็เร็วพวกเราก็จะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายกันอย่างแน่นอนแต่ถ้าพวกเรามาเกิดแล้วไม่มีพระพุทธศาสนาพวกเราก็จะไม่มีวันรู้วิธีที่จะปฏิบัติ เพื่อให้เราหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้เลยนละการได้มาพบพระพุทธศาสนานี้จึงเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะนานๆจะมีพระพุทธศาสนานมีพระพุทธเจ้ามาตรัสครูสักครั้งหนึ่งระยะเวลาระหว่างพระพุทธเจ้าหระพระองค์แต่และพระองค์นี้เป็นเวลายาวนานมาก ยาวกว่าหลายล้านล้านล้านปีด้วยกันเอาล้านมาคูนล้านสิบครั้งก็ยังยังไม่ยาวเท่ากับระยะเวลาที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมาปรากฏขึ้นในโลกนี้และมาก่อตั้งพระพุทธศาสนาเพื่อให้พวกเราได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากกองทุกข ของการเกิดแก่เจ็บตายกันดังนั้นชาตินี้จึงเป็นชาติที่วิเศษมากของพวกเราที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งเราได้มีโอกาสในชาตินี้ที่จะได้ยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้ถ้าเราปล่อยให้หลุดมือไปกลับมาเกิดคราวหน้า เราอาจจะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกเป็นเวลาอันยาวนานเพราะพระพุทธศาสนานี้จะมีอายุได้อยู่ได้ประมาณห0 0พันปีตามที่พุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้และตอนนี้เราก็เข้ามาครึ่งทางแล้วคือสองพันห้าหกสิบปีแล้วเหลืออีกสองพันกว่า ปีก็จะหมดยุคของพระพุทธศาสนาโอกาสหน้าที่เราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเกิดกันอีกครั้งเมื่อไหร่เพราะหลังจากที่เราตายไปแล้วเราจะต้องไปรับผลบุญผลบาปที่เราได้กระทำกันไว้เราจึงไม่รู้ว่าเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเมื่อไหร่ กลับมาเกิดคราวหน้าอาจจะไม่มีพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ถ้าไม่มีก็ต้องรอพระพุทธศาสนาอันใหม่ที่จะตามมาอีกหลายล้านล้านล้านปีด้วยกันดังนั้นพวกเราจึงไม่ควรปล่อยให้โอกาสอันดีอันงามนี้ปล่อยให้โชคลาบอันยิ่งใหญ่นี้หลุดมือจากพวกเราไป วกาเราควรที่จะขวนขวายเข้าหาพระพุทธศาสนากันเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากันแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติกันตามหัวข้อตามหลักสูตรที่ได้ทรงแสดงไว้สามหัวข้อนี้คือข้อที่หนึ่งทรงให้ละการกระทาบาปทั้งปวงบาปก็คือ การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดการเดิมสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนไม่ดีเป็นมิตรและความเกลียดคร้านนี่คือบาปและอกุศลที่เราควรที่จะ ละ ง, งับกันละกันไม่ควรกระทํากันให้เรามารักษาศีลกันแล้วให้เรามาละเว้นจากการเสพอบายามุขต่างๆเช่นสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการครบคนไม่ดีเป็นมิตรและความเกียดคร้านการกระทําเหล่านี้จะส่งให้เราต้องไปรับผลบาป ผลไม่ดีหลังจากที่เราตายไปแล้วคือไปเกิดในอบายอบายนี้ก็มีสี่ที่ด้วยกันที่หนึ่งเรียกว่าเดรัจฉานที่สองเรียกว่าเปรตที่สามเรียกว่าสุ ร, รกายและที่สี่คือนรกถ้าเปรียบเทียบกับโลกที่เราอยู่กันปัจจุบันนี้อบายก็เหมือนกับคุกตารางนี้เอง เวลาที่เราทำผิดกฎหมายเราก็จะต้องถูกจับไปลงโทษจับไปขังคุกขังตารางโทษก็มีหนักมีเบาเขาก็แบ่งเป็นแดนกักขังกันแดนสำหรับโทษเบาแดนสำหรับโทษหนักและแดนสำหรับโทษประหารชั้นใดอบายก็เป็นเหมือนกับคุกตารางของดวงวิญญาณของพวกเรา พวกเราหลังจากที่ร่างกายของพวกเราตายไปแล้วนี้เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นตัวเราตัวเราคือดวงวิญญาณดวงวิญญาณที่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปถ้าเราทำบาปเราก็ต้องไปรับผลบาปอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นไปเกิดในอบายเช่นไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้าง เป็นเปรตบ้างเป็นนสู ร, รกายบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่ามันเป็นที่มีแต่ความทุกข์ไม่เป็นที่ที่เราควรจะไปกันท่านจึงต้องมาบอกมาสอนพวกเราว่าอย่าไปทางนี้ทางนี้ไม่ได้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์เนี่ยคนบางคนนี้ ไม่รู้ความจริงถูกความหลงครอบงาจิตใจก็เลยเห็นผิดเป็นชอบไปเห็นว่าการฆ่าสัตว์เห็นว่าการทำบาปนี้จะทำให้เขามีความสุขกันเวลาที่เขาโกรธแค้นใขนี้ใจเขาทุกข์มากแล้วเขาคิดว่าการระบายความทุกข์ดับความทุกข์ของใจก็คือต้องไปฆ่าคนที่ทำให้เขาทุกข์เลย พอฆ่าแล้วจะทำให้เขาหายทุกข์เนี่ยแต่เขาไม่คิดถึงผลที่จะตามมาหลังจากที่เขาไปฆ่าแล้วความทุกข์ก็เกิดขึ้นใหม่ความทุกข์ที่เกิดจากอาฆาตพยาบาทก็ดับไปแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความหวาดกลัวต่อโทษที่จะตามมาก็จะเกิดขึ้นมาแล้วก็ความทุกข์ที่จะต้องไปใช้กรรมในอบายก็จะตามมา หลังจากที่ไปแล้วพวกเราผู้เป็นผูุ้ชนนี้เราไม่เห็นความทุกข์เหล่านี้กันเราเลยกล้าทาบาปกันเพราะเวลาเราทุกข์ในใจแล้วเราได้ทำบาปมันก็ทำให้เราเระบายความทุกข์ไปในใจได้เช่นเวลาเราอยากจะได้อะไรแต่เราไม่มีเงินไปซื้อ แล้วเราก็ไปขโมยไปรักของที่เราอยากได้เวลาเราได้มาเราก็รู้สึกว่าความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้ของนั้นมันหายไปความดีใจความสุขใจก็เกิดจากการที่ได้ของมาแต่หลังจากนั้นไม่นานความทุกข์ที่เกิดจากความหวาดกลัวก็ตามมาหวาดกลัวว่าจะต้องถูกจับไปลงโทษ อันนี้เราอาจจะมองไม่เห็นกันและสิ่งที่ไม่เห็นมากไปกว่านี้ก็คือหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วบาปนี้แหละจะเป็นผู้ที่จะส่งให้เราไปเกิดในอบายกันไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสุรกายบ้างไปนรกบ้างอันนี้พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น เพราะพระองค์ได้ทรงมีดวงตาที่เห็นธรรมเห็นความจริงเห็นความจริงของจิตใจเห็นความจริงของโลกทิพย์โลกเรลานี้เห็นได้แต่โลกกรธาตุคือโลกที่เราอยู่กันนี้โลกที่มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานอยู่กันนี้เรียกว่าโลกกรธาตุเราสามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อของเราได้แต่สิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ก็คือ โลกทิพย์ที่พวกเราคือดวงวิญญาณของพวกเราอยู่กันอดวงวิญญาณโลกทิพย์นี้ก็เป็นเหมือนโลกของโลกของมนุษย์โลกของเดรัจฉานมีที่ดีและมีที่ไม่ดีเช่นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เราไปเที่ยวกันก็ถือว่าเป็นสถานที่ดีส่วนสถานที่ที่มีภัยอันตรายต่างๆเราก็เรียกว่าเป็นสถานที่ไม่ดี สถานที่มีสงครามมีการต่อสู้มีการฆ่าฟันกันสถานที่ที่มีการโอดอยากขาดแคลนกันสถานที่เป็นที่เป็นคุกเป็นตารางกันในโลกทิพย์ก็มีสถานที่เหล่านี้เหมือนกันมีสถานที่ท่องเที่ยวมีสถานที่มีแต่ความทุกข์มีแต่ภัยต่างๆเหมือนกันแต่ในโลกทิพย์นี้เราไม่มีตาทิพย์ตาทิพย์ของเราตอนนี้มันบอด มันถูกความหลงปิดบังเราไว้จึงทําให้เราไม่สามารถเห็นโลกทิพย์สถานที่ต่างๆในโลกทิพย์ได้เราก็เลยไม่รู้ว่ามีสถานที่เหล่านี้และเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่จะทําให้เราไปสถานที่ต่างๆในโลกทิพย์สถานที่ที่ดีก็มีสถานที่ที่ไม่ดีก็มี พระพุทธเจ้าหลังจากได้ทรงตัดสราวได้ทรงเบิกพระเนตรเบริกตาในเบิกตาทิพขึ้นมาจึงทําให้พระองค์เห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกทิพได้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับพวกเราอยู่บนดินนี่เราจะมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ใต้น้ําแต่ถ้าเรามีมีเครื่องหายใจมีแว่นใส่แล้วเราดําน้ําลงไปใต้น้ํา เราก็จะเห็นโลกอีกโลกหนึ่งที่มีอยู่ภายใต้น้ําเห็นปลาเห็นสัตว์อะไรต่างๆเห็นพระประการังเห็นอะไรที่สวยและไม่สวยต่างๆที่มีอยู่ใต้น้ําชั้นใดโลกทิพย์ก็เป็นเหมือนโลกใต้น้ําที่พวกเรามองไม่เห็นกันถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเหมือนกับพระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติคือการนั่งสมาธิทําใจให้สงบ พวกเราจะไม่สามารถเห็นโลกทิพย์เห็นสถานที่ต่างๆที่มีอยู่ในโลกทิพย์นี้ได้แต่พระพุทธเจ้านี้ทรงเห็นทรงเห็นสถานที่ที่ดีและที่ไม่ดีสถานที่ไม่ดีในโลกทิพย์เราก็เรียกว่าอบายสถานที่ที่ดีในโลกทิพย์เราก็เรียกว่าสุคติสุคติก็คือสวรรค์ชั้นต่างๆนั่นเอง พระทรงเห็นวิธีหรือทางที่จะพาให้เราไปสู่สถานที่เหล่านี้สถานที่จะพาให้เราไปสู่อบายก็ทรงเห็นว่าเกิดจากการทําบาปเกิดจากการเสพอบายามุขต่งางๆพระองค์ทรงมีความเมตตาทรงสงสารไม่อยากให้พวกเราต้องไปเดินไปในสถานที่ที่เราไม่อยากจะไปกัน ถ้าเป็นเหมือนกับขับรถถ้าบนท้องถนนเขาก็จะมีป้ายบอกว่าถ้าไปทางนี้ไม่ดีเขาก็จะเขียนป้ายเตือนไว้ว่าถนนนี้ไม่ดีทางโค้งอันตรายหรือมีอันตรายต่างๆถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็อย่าไปอันนี้พระพุทธเจ้าก็ไปเหมือนกับผู้เขียนป้ายบอกทางให้กับพวกเราว่าอย่าไปทางนี้กัน อย่าไปในทางของการกระทาบาปในทางของการเสพอบายามุกกันถึงแม้ว่าจะทำให้เราได้รับความสุขแต่มันก็เป็นความสุขเดียวเดียวแล้วมันก็จะมีความทุกข์และมีความโทษตามมาต่อไปแต่พวกเรามองไม่เห็นกันพวกเราก็เลยอาจจะไม่กลัวผลของการกระทาบาปกันเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเพื่อเราจะได้ ไม่ไปเจอกับสิ่งที่เราไม่อยากจะไปเจอกันถ้าเราไม่เชื่อแล้วเราทำบาปเราก็จะต้องไปเพราะว่าผู้ที่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนมีตาทิย์เขาก็เห็นสิ่งต่างๆเช่นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นคือพระอารามตาสาวกทั้งหลาย ท่านก็ไม่มีรูปใดเลยที่จะมาบอกว่าพระพุทธเจ้านี้สอนไม่จริงหลอกลวงนี่ไม่มีท่านรับรองคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริงทั้งหมดถ้าทำบาปแล้วต้องไปอบายอย่างแน่นอนอย่างนั้นข้อที่หนึ่งพระ อ, องค์จึงสอนให้พวกเราละการกระทำบาปและการเสพอบายามุกต่างๆ เพื่อที่จะได้ป้องกันให้เราไม่ไปในสถานที่ที่เราไม่ปรารถนาที่จะไปกันใครอยากจะไปเป็นเดรลฉานบ้างใครอยากจะไปเป็นเปรตบ้างใครอยากจะไปเป็นอสุรกายบ้างใครอยากจะไปตกนรกบ้างแต่เราไม่เห็นว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงเราไม่เห็นว่าการทำบาปนี้จะทำให้เราได้ไปอบายจริงหรือไม่ เราจึงไม่กลัวการกระทำบาปกันเพราะเวลาที่เรามีความทุกข์ใจที่เกิดจากความโลภเกิดจากความอยากและเกิดจากความโกรธเราก็จะาบราะบายมันด้วยการทำบาปโกรธเกลียดใครก็ไปทำร้ายเขาไปฆ่าเขาเราจะทาให้รู้สึกสบายใจอยากได้ข้าวของเงินทองของใครก็ไปขโมยเขาแล้ว อยากจะได้ลูกเมียภรรยาสามีของใครก็ไปประพฤติผิโดโปรยนี่เพราะคิดว่าทำแล้วจะได้ความสุขได้ระบายความทุกข์ที่มีในใจแต่มันก็เป็นความสุขเดี๋ยวเดียวเป็นการระบายเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวของผลที่เราได้ทำนี้มันก็จะเกิดขึ้นมา แล้วมันจะส่งให้เราไปสู่อาบายหลังจากที่เราตายไปแล้วอันนี้เราถ้าไม่เชื่อเราก็ต้องไปพิสูจน์เองเอแต่มันอาจจะสายเกินไปไปพิสูจน์ในอาบายนี้มันไม่ไม่ใช่เป็นวิธีที่พิสูจน์สู้เชื่อดีกว่าเพราะมีคนที่เชื่อมากไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่มีคนไม่เชื่อเอคนที่รับคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกทุกคน ที่น้อมนําเอาไปปฏิบัตินี้เขาปฏิบัติจนเขามีตาทิพขึ้นมามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นอบายเห็นนรกเห็นสวรรค์ขึ้นมาเขาจึงไม่สงสัยในคําสอนของพระพุทธเจ้าเขากลับเป็นผู้มารับหน้าที่ไปเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อให้ได้ช่วยเหลือผู้ที่ไม่รู้อย่างพวกเราได้หลุดพ้นกันเป็นจํานวนมากกันเนีเป็นนี่คือการก่อตั้งสาขาของพระพุทธศาสนาหลังจากที่ผู้ที่มีศรัทธาได้น้อมนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติจนได้มีดวงตาเห็นธรรมก็รับอาสาทําหน้าที่ไปเปิดสาขาตามทิศ ต, ต, ต่างๆต่อไป ดังนั้นข้อที่หนึ่งคือที่ทรงสอนให้เราละเว้นกันก็คือละเว้นการกระทาบาปทั้งปวงถ้าเราละเว้นได้รับรองได้ว่าพระพุทธเจ้ารับประกันว่าไม่ไปเกิดในบายอย่างแน่นอนไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนสุรกายไม่ต้องตกนรกอย่างแน่นอนแล้วข้อที่สองท่านก็ทสรงสอนให้เราสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม ให้สร้างความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมความดีนี้จะพาให้เราไปสู่สวรรค์กันเช่นให้เรามาทำบุญทำทานกันให้เรามาฟังเทศฟังธรรมกันเพราะการฟังเทศฟังธรรมจะทำให้เราได้รู้อะไรดีอะไรไม่ดีรู้บุญรู้บาปรู้นรกรู้สวรรค์รู้อะไรต่างๆ ที่เราควรจะรู้และควรปฏิบัติพอเรารู้แล้วว่าทำบุญจะทำให้เราไปสวรรค์ทำความดีอย่างอื่นเช่นมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณการมีสัมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนขารบผู้หลักผู้ใหญ่การช่วยเหลือกนและกันอะไรต่างๆเหล่านี้ แต่ เ, เรียกก็เป็นการกระทำความดีถ้าเราทำความดีได้แล้วเราก็จะได้ไปรับผลดีได้รับทั้งขณะที่เรามีชีวิตอยู่คือเราทำความดีแล้วใจเราจะอยู่เย็นเป็นสุขพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าผู้ที่มีความเมตตาต่อผู้อื่นนี้จะมีความสุขทั้งขณะที่ตื่นและขณะที่หลับ เวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแล้วก็จะไม่ตายด้วยสัตววุธหรือยาพิษเพราะจะไม่มีใครโกรธใครเกลียดจะไม่มีใครคิดที่จะฆ่าคนที่มีความเมตตาและถ้าตายก็จะไปสู่สุขติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆนี่คือประโยชน์ ที่เราจะได้รับจากการทำความดีต่างๆถ้าเราทำสองข้อแรกนี้ได้เราก็จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับภพบชาติที่ดีกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเวลาตายไปเราก็ไปเกิดในสวรรค์เพราะในขณะที่เราเป็นมนุษย์เราก็ละบาปกันไม่ทำบาปกันทำแต่บุญทำแต่ความดีกัน พอตายไปก็จะกลับไปในสวรรค์แต่ก็ยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแต่อย่างน้อยจะไม่ต้องไปกลับจะจะไม่ต้องไปเกิดในอบายกันเพราะเราไม่ทําบาปกันเราไม่เสพอบายอมุกกันแล้วถ้าเราอยากที่จะกลับเราอยากจะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไป เพราะเราเบื่อกับการต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายถึงแม้ว่าจะเกิดที่เกิดดีเกิดแล้วร่ำรวยเกิดแล้วมีความสุขต่างๆเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเศรษฐีเป็นพระราชามหากษัตริย์แต่ก็ยังต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตายอยู่ดังเช่นเจ้าชายสิท ธ, ธ, ธัตถะ ที่มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นพระราชโอรสมีทรัพย์สมบัติมีความสุขมากมายแต่ก็ยังไม่อยากจะกลับมาเกิดเพราะหลังจากที่ได้ออกไปนอกกังไปเที่ยวในวันหนึ่งก็ได้ไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วก็รู้ว่าต่อไปพระองค์เองก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกับคนที่ทรงเห็น ก็ทำให้พระองค์เกิดความหวาดกลัวหวาดกลัวต่อความแก่ความเจ็บความตายจึงไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายก็ได้ทราบว่าวิธีที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ต้องไปบวชไปปฏิบัติธรรมไปหยุดการไปหยุดเหตุที่จะทําให้มาเกิด เหตุที่จะทำมาให้กลับมาเกิดก็คือความอยากสามประการด้วยกันคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสที่เรียกว่ากามตัณหาความอยากได้ลาบยศเสรเสริญสุขเรียกว่าภาวะตัณหาและความอยากไม่สูญเสียลาบยศเสรเสริญสุขไปเรียกว่าวิภาวะตันหาเนี่ยนี่คือความอยากที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคน มีใครบ้างไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสมีใครบ้างไม่มีความอยากในลาบยศสารเสรินสุขมีใครบ้างที่ไม่มีความอยากที่จะไม่สูญเสียลาบยศสารเสริญสุขไปเนี่ยความอยากทั้งสามนี่แหละที่ดึงให้พวกเรากลับมาเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลา เพราะพวกเราไม่รู้ว่าสาเหตุที่ทำให้พวกเรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันแบบไม่หยุดไม่หย่อนนี้เกิดจากอะไรนั่นเองแต่พบนี้ชาตินี้พวกเราโชคดีพวกเราได้มาพบกับผู้ที่รู้เหตุที่จะทำให้พวกเรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันเอตก็คือความอยากต่างๆที่เรียกว่าตัณหานี่เอง ตัณหานี่แหละที่เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าทรงสอนในข้อที่สามให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ใจของพวกเราตอนนี้มันไม่สะอาดสิ่งที่ทําให้ใจเราไม่สะอาดคืออะไรก็คือกิเลสตัณหานี่เองความอยากหรือความโลภความโกรธความหลงที่ยังมีอยู่ภายในใจของพวกเราถ้าตราบใดยังมีกิเลสตัณหา ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆอยู่ภายในใจนี้อยู่ใจของเราก็จะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าอยากจะไม่กลับมาเกิดก็ต้องชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชาระความโลภความโกรธความหลงชำระความอยากคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาให้หมดไปจากใจ และวิธีที่จะชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเหล่านี้ให้หมดไปจากใจพระองค์ก็ทรงได้ค้นพบแล้วและได้ทรงใช้ในการชำระพระไทยของพระองค์มาแล้วจนพระพระไทยของพระองค์นี้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากความอยากต่างๆจึงทำให้พระองค์นี้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตาย หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลังจากที่ได้ทรงหลุดพ้นแล้วก็เกิดความสงสารต่อสัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังไม่ได้หลุดพ้นกันและจะไม่มีวันหลุดพ้นได้ถ้าพระองค์ไม่ทรงมาสั่งมาสอนมาบอกวิธีที่จะทำให้พวกเราหลุดพ้นกันในเบื้องต้นพระองค์ก็ไม่มีความขวนขวายมีความท้อแท้ ในช่วงที่ตัดสรุ้ใหม่ๆนี้พระ อ, องค์มีความท้อแท้ต่อการที่จะเอาความสอนความรู้นี้มาเผยแผ่ให้กับพวกเรากันเพราะพระ อ, องค์ทรงเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ยากมากเป็นสิ่งที่พวกเราไม่อยากทำกันพวกเรานี้ไม่อยากที่จะละความโลภความโกรธความโงกัน ไม่อยากที่จะละการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันไม่อยากที่จะละการหาลาบยศสรรเสริญสุขกันถ้ามาสอนให้ละก็จะเหมือนกับไปไปขวางทางพวกเราเหมือนกับไปขวางคนที่เขาชอบเสพยาเสพติดว่าอยาเสพเสพยาเสพติดแล้วมันจะทำให้เราทุกข์ทำให้เราตาย ไปสอนคนที่ติดยาเสพติดนี้เขาไม่ฟังหรอกเพราะเขายอมทุกขกับการเสพดีกว่าทุกขกับการไม่ได้เสพเพราะเวลาไม่ได้เสพมันทรมานนี่กว่าการได้เสพแล้วทุกข์ทีหลังพวกเราก็เหมือนกันพวกเราก็ไม่อยากจะทุกข์กับการที่เราไม่ได้ทำความอยากทำตามความอยากเช่นอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเนี่ย ให้มาอยู่รักษาศีลแปดกันนี้ก็จะเป็นจะตายกันเพราะว่าไม่อยากจะทุกข์กันเวลาที่เราถือศีลแปนี้เราไม่สามารถไปหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายได้ไม่สามารถไปทำตามความอยากได้พอไม่ได้ทำตามความอยากเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราจึงไม่อยากจะมารักษาศีลแปกัน เราจึงไม่อยากจะมาอยู่แบบนักบวชกันในเบื้องต้นพระองค์ก็ทรงคิดแบบนี้คิดว่าสอนไปก็คงจะไม่มีใครอยากจะปฏิบัติสอนไปก็เหนื่อยไปเปล่าๆก็เลยไม่มีความขนขวายที่จะปฏิบัติแต่มีเท้ามาหาพรหมพอได้ทราบว่าพระองค์ไม่มีความปรารถนาก็เลยต้องมาขออาราธนา มาขอให้พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์โลกและให้พระองค์ทรงพิจารณาแยกแยกสัตว์โลกว่ามีหลายแบบหลายชนิดด้วยกันคนที่เชื่อฟังและจะปฏิบัติตามได้ก็มีคนที่ไม่เชื่อฟังและไม่ปฏิบัติตามก็มีขอให้พระองค์ทรงโปรดเมตตาคนที่เขาเชื่อและจะปฏิบัติตามคำสอนเถิด ส่วนคนที่เขาไม่เชื่อเขาไม่ปฏิบัติก็ไม่ต้องไปสอนเขาพระองค์ก็เลยได้แยกคนไว้สี่เหล่าด้วยกันนีเ่เรียกว่าบัวสี่เหล่าบัวสามเหล่านี้สามเหล่าแรกนี้เป็นบัวที่พร้อมที่จะรับคำสอนตามกำลังของแต่ละเหล่าบัวเหล่าแรกบัวที่เหนือน้านี้มีกำลังมาก สามารถรับคำสอนไปปฏิบัติและบรรลุผลได้ทันทีบัวเหล่าที่สองนี้เป็นพวกบัวเปิมน้ำก็ต้องใช้เวลาสอนบ่อยหน่อยมากหน่อยแล้วก็จะสามารถโผล่เหนือน้ำขึ้นมาและบรรลุได้ต่อไปบานได้บัวบานขึ้นมาส่วนบัวที่สามบัวที่อยู่กลางน้ำนี้ เป็นบัวที่จะต้องใช้เวลามากหน่อยในการที่จ ะ, จะเจริญโตบโตบขึ้นมาเหนือน้ำได้แต่ถ้ามีการสั่งสอนอบรมอยู่เรื่อยๆก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปตามลำดับและจะสามารถบรรลุธรรมได้ในที่สุด ส่วนบัวเหล่าที่สี่เป็นบัวที่ยังอยู่โคลนอยู่กับโคลนกับตมอยู่นี้บัวพวกนี้จะถูกเป็นอาหารของปูของปลาไปจะไม่มีโอกาสที่จ ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ก็ไม่สามารถที่จะช่วยบัวเหล่าที่สี่นี้ได้ คือพวกที่ไม่เชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อในการละการกระทําบาปไม่เชื่อในการทําบุญไม่เชื่อในการชําระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจว่าจะเป็นวิธีที่จะพาให้ไปสู่ความสุขสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายพวกนี้ก็เป็นพวกที่พระองค์จะไม่ ได้ไปช่วยเหลือในที่สุดพระองค์ก็ทรงเห็นว่ายังมีผู้ที่สามารถปฏิบัติตามได้จึงได้ตัดสินพระทัยที่จะนําเอาความรู้นี้มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกก็ทรงทำหลังสองเดือนหลังจากที่ได้ตัดสู้ทรงตัดสั้นในวันเพ็ญเดือนหกพอวันเพ็ญเดือนแปดวานาสาห บ, บูชา ก็ทรงประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่พระปัญจวัคคีที่เป็นบัวเหนือน้ำแล้วเพราะเขามีบุญบารมีสะสมไว้มากเขาได้ทำทานหมดแล้วทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆมีมากน้อยเขาก็สละไปหมดศีลเขาก็รักษาได้บริสุทธิ์สมาธิจิตเขาก็รวมเป็นฌานขั้นต่างๆ เขาสิ่งที่เขาขาดที่จะทำให้เขาหลุดพ้นก็คือความรู้คือต้นเหตุที่ทำให้เขาติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดพอพระองค์ทรงแสดงพ ร, พระอริยาศาสตร์สีทรงแสดงให้เห็นว่าต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายก็คือการมตัตหาภาวะตัรหาวิภาวะตัรหาและวิธีที่จะหยุด ตัญหาทั้งสามนี้ได้ก็คือการเจริญศีลสมาธิปัญญาออพอเขารู้เขาก็สามารถเจริญได้ทันทีศีลก็มีแล้วสมาธิก็มีแล้วปัญญาก็ได้รับจากพระพุทธเจ้าแล้วว่าอย่าทำตามความอยากมีความอยากต้องหยุดทันทออีพอเขาหยุดความอยากได้หมดเขาก็บรรลุได้หลุดพ้นได้ออพอหลังจากสแสดงธรรมครั้งนั้นเสร็จ ก็มีหนึ่งในระประจัจจวัคคีคือพระอัญญาณโกนธัญญะก็ได้ดุดพ้นจากกองทุกข์ขั้นที่หนึ่งไปได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันไม่ต้องกลับมาเกิดในอบายอีกต่อไปถ้าจะกลับมาเกิดอีกก็ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็จะไ้หดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่ก็คือ สิ่งที่พระทำให้พระพุทธเจ้าได้มีความขวนขวายที่จะเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่พวกเราหลังจากนั้นก็ทรงสั่งสอนให้แก่ผู้ที่สนใจจนระยะเวลาเจ็ดเดือนผ่านไปก็มีพาาาระอรหันต์ปรากฏขึ้นมาถึงหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปผู้ที่ได้หลุดพ้นจาก การเวียนว่ายตายเกิดจากการที่ได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติคือละการกระทําบาปทั้งปวงจเจริญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมและชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กําจัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ ท่านเหล่านี้ก็เลยได้กลายเป็นพระอาลหันตสาวกขึ้นมาพอได้เป็นพระสาวกก็ขออนุ ญ, ญาตให้พระพุทธเจ้าทรงบวชให้เพื่อจะได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาพอได้รับการบวชแล้วท่านก็จางลึกไปสถานที่ต่างๆเพื่อไปเอาความรู้นี้ไปเผยแผ่ให้กับผู้ที่ไม่รู้ต่อไปแล้ววันหนึ่งในวันเพ็ญเดือนสามนี้ ท่านก็มีความคิดที่อยากจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมๆกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนก็เหมือนกับการมาประชุมกันผู้ที่ไปเปิดมหาวิทยาลัยตามสถานที่ต่างๆก็มาประชุมกับผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยคือพระพุทธเจ้าเพื่อมารับนโยบายจากพระพุทธเจ้า เดีวันมาคบูชานี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าส่งมอบนโยบายในการเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พระอาหารหันต์ตาวกทั้งหลายเพื่อให้ไปสั่งสอนในทิศ ท, ทางในทิศ ท, ทางเดียวกันหลักสูตรเหมือนกันเหมือนกับวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยต่างๆจะไปตั้งอยู่ที่ไหนก็มีหลักสูตรเหมือนกับต้นต่อต้นสังกัดฉันใด คำสอนของพระอาหารหันตาสาวกทุกรูกก็สอนตามแบบที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสอนสารประการนี้คือละการกระทาบาปทั้งปวงยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมและชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะนี่คือทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากกองทุกขแห่งการเกิดแก่เจ็บตาย นี่คือเรื่องของวันมาฆ้าบูชาที่พวกเราได้มาประชุมกันมารำลึกถึงกันมารำลึกถึงความสําคัญของวันมาค้าบูชานี้เพราะทําให้พวกเรามีพระพุทธศาสนามาจนถึงทุกวันนี้เพราะความฉลาดของพระพุทธเจ้าในการก่อตั้งและในการขยายสาขาของพระพุทธศาสนาให้แผ่ขยายไปอย่างกว้างไกล ตอนนี้พระพุทธศาสนาของเรานี้ไปทั่วทุกมุมโลกแล้วและผู้ที่ได้ยินได้ฟังก็มีศรัทธาถึงกับเดินทางมาประเทศไทยเพื่อปฏิบัติเพราะในประเทศเขาสภาพแวดล้อมนี้ไม่เอื้อเฟื้อต่อการปฏิบัติเขาก็เลยต้องเดินทางมาที่ประเทศไทย เพราะประเทศไทยของเรานี้เป็นประเทศที่สมบูรณ์เอื้อเฟื้อต่อการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญามีพระพุทธมีมีพระภิกษุอมีพระปฏิบัติมีศรัทธาญาติโยมที่พร้อมที่จะสนับสนุนใส่บาตรถวายาจะตุปปัจจัยต่างๆสร้างกุติสร้างอะไรต่างๆสนับสนุนให้กับผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัตินี้ไม่ต้องทําอะไรเลย เพียงแต่ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทาเท่านั้นก็คือละการกระทาบาปทั้งปวงยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์พอเขาได้มีเวลาปฏิบัติอย่างเต็มที่เขาก็สามารถบรรลุถึงผลของการปฏิบัติได้เช่นครูบาอาจารย์ต่างๆที่เรากล่าว่าเคารพนับถือกันท่านก็เป็นผู้ที่ ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่เต็มเวลาเต็มร้อยเพราะมีได้มีการสนับสนุนจากศรัทธาญาติโยมอย่างพวกเราจึงทําให้ท่านไม่ต้องไปกังวลกับการไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตอนเช้าเป็นวินทบาทก็ได้อาหารมารับประทานแล้วแล้วญาติโยมก็จัดสถานที่ให้พระได้ปฏิบัติกัน หาสถานที่สงบสงัดสร้างกุฏิสร้างอะไรต่างๆสนับสนุนพระที่มาบวชมาปฏิบัติก็เลยมีเวลาได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่จึงไม่น่าเป็นที่แปลกใจที่ทำไมพระป่าท่านทั้งหลายจึงสามารถบรรลุธรรมกันได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าไนดะ้เพราะว่าท่านไม่ต้องทาอะไรท่านไม่ต้องทากิจอย่างอื่นท่านทา กิจที่พทธเจ้าได้ทรงวางไว้ให้กระทำก็คือการเจริญศีลสมาธิปัญญานี่เองดังนั้นขอให้พวกเราจงน้อมนํำลึกถึงวันสำคัญในวันนี้และบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นการบูชา ที่ถูกต้องที่มีคุณมีประโยชน์และตรงกับเป้าหมายของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านต้องการให้พวกเราหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเกิดแก่จเจ็บตายกันและการที่เราจะหลุดพ้นได้ก็คือการปฏิบัติบูชานี้เองปฏิบัติก็คือเอาคำสอนมาปฏิบัติตาม ถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกสอนให้พวกเราปฏิบัติกันก็ถือว่าเราได้บูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าพระคุณของพระธรรมคําสอนพระคุณของพระอาาริยสงสาวกแล้วดังนั้นในวันนี้ก็ขอให้ท่านจงน้อมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติกันไปละการกระทําบาปทั้งปวงไปยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมไปชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เพื่อเป็นการบูชาและเพื่อเป็นการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นเครื่องถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีความถามอยากจะถาม ก็อขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบถ้าใครมีคําถามขอให้เชิญขึ้นมาถามที่ไมโครโฟนนี้ได้เลยถ้ายังไม่มีก็จะให้เอาคําถามจากทางบ้านมาถามก่อนคําถามจากทางบ้านจากคุณอุเทนผมอยากทราบหลักการการใช้ปัญญาอบรมสมาธิครับ ก็คือเวลาจิตเราฟุ้งซ่านจิตเราวุ่นวายกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเรานั่งสมาธิไม่มีสติพอที่จะให้อยู่กับลมหายใจได้ให้อยู่กับพุทโธได้เราก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์ปัญหาของเราความฟุ้งซ่านความวุ่นวายใจของเราว่าเกิดจากอะไรเช่นเรากําลังวุ่นวายกับเรื่องของลูกห่วงลูกลูกกําลังเรียนหนังสือไม่ดีอ จะถูกเขาไล่ออกจากโรงเรียนก็วิตกกังวลก็ต้องพิจารณาตามความเป็นจริงไปว่าเขาเป็นอย่างนี้ทำให้เขาเรียนได้ดีกว่านี้ได้หรือไม่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงถ้าทำได้ก็ทำไปบอกหาครูมาสอนให้เขาไปเรียนพิเศษหรือทำอะไรไป เรามีหน้าที่สนับสนุนเขาแต่ถ้าเขาไม่อยากเรียนนี้ก็ช่วยไม่ ไ, มได้เราก็ต้องพิจารณาว่าเขาเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เป็นคนที่เราสามารถที่จะไปบังคับไปสั่งให้เขาเรียนได้ถ้าเราหาครูมาแล้วหาที่เรียนพิเศษให้แล้วเขาไม่เรียนนี้ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็ต้องยอมรับ ผลของการกระทาของเขาว่าใครทำกรรมอันใดไว้ก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอันนี้คือการใช้ปัญญาวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็ตัดปัญหาของเราอยู่ที่ความอยากของเราอยากให้ลูกได้เรียนต่อแต่ลูกเขาไม่อยากจะเรียนเขาจะออกะ <c oughs> ก็เลยทำให้เราทุกข์แต่ถ้าเรายอมรับว่าเราห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้ เขาอยากจะออกก็อยากจะไม่เรียนเราอยากไปก็ทุกไปเปล่าๆก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเขาก็จะไม่เรียนอยู่ดีถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เราก็จะหยุดความฟาุ้งซ่านความวุ่นวายใจไปกับลูกได้ปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมไปเราก็จะกลับมาพุทโธพุทโธดูลมหายใจเข้าออกได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการใช้ปัญญาอบรมสมาธิ ให้จิตกลับมาเป็นปกติแล้วก็จะได้ใช้พุทโธแล้วใช้ลมหายใจทำให้ใจสงบต่อไปคำถามจากคุณมานิดปัจจุบันศาสนิกชนตักบาตรตอนเช้าบางแห่งจะกรวดน้ำนะ้ตรงที่ใส่บาตรพระท่านก็จะสวดยะถาให้บางแห่งสวดให้พ ร, พรธรรมดา จึงเรียนถามวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องของพุทธศาสนาศาสนิกชนจะต้องปฏิบัติอย่างไรครับ อ, อ๋อตามปกติเวลาใส่บาตนี้จะไม่มีการขอพรให้พรใส่บาตแล้วก็เสร็จส่วนญาติโยมใส่บาตเสร็จแล้วอยากจะอุทิศบุญก็อุทิศได้โดยที่ไม่ต้องให้พระมาให้พรพอพระเดินไปแล้วเราก็ ตั้งจิตอุทิศไปถ้าจะมีน้ําจะกดกดด้วยน้ําก็ได้ไม่มีน้ําก็กวดด้วยน้ําใจอให้ดับเลกอยู่ภายในใจว่าขอทอิศส่วนบุญนี้ให้กับบุคคลนั้นบุคคลนี้อก็สําเร็จประโยชน์ได้แล้วแล้วพรก็ไม่ต้องขอจากพระเพราะว่าพรเกิดจากการทำทำบุญของเราถ้าเราทําบุญเราก็จะได้รับความสุขความเจริญไม่ต้องให้พระมาสวด ขอให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขภรภละเพราะว่ามันเจริญแล้วจเจริญจากการทำบุญของเราอย่างนั้นไม่มีความจาเป็นที่จะต้องให้พรกันโดยเฉพาะเวลาบินาบาตไม่ใช่เป็นเวลาที่จะให้พรเพราะต้องเดินไปเรื่อยๆเพราะมีศรัทธาญาติโยมรอกันอยู่ข้างหน้าอีกมากถ้ามวัวแต่ให้ทุกคนเดี๋ยวก็กล่าจะถึงบอถึงวัดก็บายพอดีเดี๋ยวจะไม่ได้ฉันกัน คำถามจากคุณอโนงหนูเคยตักบาตด้วยข้าวปั้นและปลาดิบให้สามีที่เสียชีวิตไปแล้วเพราะเขามาดนใจว่าอยากกินปลาดิบร้านญี่ปุ่นที่เคยชอบไปกินด้วยกันตอนมีชีวิตอยู่เพิ่งรู้จากพระอาจารย์เมื่อวานว่าผิดวินัยพระห้ามกินของดิบหนูบาปมากไหมคะและจะแก้กรรมนี้อย่างไรคะก็ทําทั้งสองอย่างสิ ทำทั้งดิบทั้งสุกดิบก็เขียนไว้ว่าให้คนตายสุกก็ให้พระแยกว่าพระเขาจะได้รู้คำถามจากคุณทรายเนี่ประชาอยากให้หลวงพ่อแนะนำธรรมะสำหรับใช้ในสังคมคลาวาเยอะๆครับก็พรมวิหารสี่นี่แหละเป็นสังเป็นธรรมะที่เราควรจะมีต่อกันละกันหนึ่งคือความเมตตา เกิ ค, ความเมตต์เกิความปรารถนาดีต่อกันไม่ไม่เบียดเบียนกันไม่ไม่ไม่กันแกล้งกันไม่ทําลายกันช่วยเหลือกันดูแลกันแบ่งปันกันในความเมตตาข้อ mm hmm. ที่สองก็กรุณาให้มีความสงสารต่อผู้ที่เขาด้อยกว่าเราคนที่เขาด้อยเขาต่ำกว่าเราเช่นคนใช้เราอย่าไปใช้เขาเป็นเหมือนกับเป็นสัตว์นี้ใช้เขาว่า ใช้ก็เป็นเหมือนเพื่อนมนุษย์ดูแลช่วยเหลือเขาเขาขาดแคลนอะไรเราก็ให้เขาไปหรือคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่มีประสบกับอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆเช่นเวลาน้ําท่วมไฟไหมเราก็ช่วยกันบริจาคสิ่งของไปช่วยเหลือกันอันนี้ก็เรียกว่าความกรุณาหรือสงสารมุริตาก็คือการมีน้ําใจนักกีฬาต้อง ถ้าเราแพ้เราก็ต้องแสดงความยินดีกับผู้ชนะเราอย่าไปโกรธอย่าไปอิจฉาผู้ชนะให้ถือว่าเป็นเรื่องของบุญไปเขามีบุญมากกว่าเราเขาก็เลยได้ดิบได้ดีมากกว่าเราเราบุญยังน้อยเราก็ยังได้ดิบได้ดีไม่เท่าเขาเช่นที่ทำงานเพื่อนฝูงเขาได้เงินเดือนขึ้นได้ขั้นขึ้นแต่เรายังไม่ได้เราก็อย่าไปอิจฉากัน จะไปแสดงความยินดีกันเพื่อที่เราจะได้เป็นเพื่อนกันต่อไปได้นละจะอยู่กันอย่างมีความสุขแล้ ว, ลวข้อสุดท้ายก็ให้มีอุบเบกขาในกรณีที่เราไม่สามารถให้ความเมตตาหรือให้ความกรุณาหรือให้มุติตากับเขาได้เขาไม่ยินดีที่จะรับเราก็ต้องทำใจเป็นอุบเบกขาทำใจเฉย อย่าไปเสียใจอย่าไปน้อยใจคิดว่าเขาไม่ยินดีก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราพร้อมที่จะให้ความเมตตาพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพร้อมที่จะแสดงความยินดีเสมอแต่ถ้าก็ยังไม่พร้อมเราก็ทำใจเฉยๆไปอย่าไปโกรธอย่าไปเสียดายเสียใจไม่เกิดประโยชน์อะไรจะทำให้เราทุกข์ไปเปล่าๆได้อาจจะทำให้เราเสียมิรไปก็ได้นี่นี่คือ ธรรมะที่พูะเจ้าสอนให้พวกเราใช้กันเวลาที่เราอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในสังคมใดถ้ามีพรมวิหารสีแล้วสังคมนั้นจะมีแต่ความน่้มเย็นเป็นสุข คำถามจากคุณนิกกี้ตามความเข้าใจของตนเองนั้นการทำบุญแต่ละแบบให้ผลของบุญที่ต่างกันเช่นทำบุญสร้างวัดให้ผลแบบหนึ่งไถ่ชีวิตโคกระบือเลี้ยงอาหารบ้านพักคนชราหรือการบาเพ็ญเพียรก็ให้ผลที่ต่างกันหากเราคิดว่าชาตินี้แล้วยังไม่น่าจะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้เราวางแผนทำบุญหลากหลายรูปแบบเอาไว้ เพื่อเป็นเสบียงไว้ใช้ในพบหน้าเพื่อพบหน้าจะได้มีความสมบูรณ์ทั้งรูปทรัพย์และอริยทรัพย์จะได้ไม่ไม่กลับมาเกิดลําบากอีกคิดแบบนี้ใช่ไหมคะได้ใช่ไหมคะก็ได้แต่ไม่คนที่จะเป็นแบบเป็นสูตรไปว่าจะต้องทําบุญสร้างกุติหรือทําบุญอย่างนั้นอย่างนี้ควรจะใช้ความจําเป็นใช้เหตุการณ์ไปด้วยเช่นเขาขาด เขาขาดอาหารแต่เราไปสร้างกุติให้เขาอานี้มันก็ไม่ไม่ถูกก็ต้องดูผู้รับว่าเขาเดือดร้อนเขาขาดแคนอะไระถ้าเขาไม่ขาดแคนอะไรเราก็ไปช่วยเหลือผู้ที่เขาขาดแคนเช่หนหลวงตานี่ท่านก็จะไปช่วยเหลือทางโลกมากกว่าช่วยเหลือทางวัดเพราะว่าท่านเห็นว่าทางวัดนี่มีครบบริบูรณ์แล้วอาหารก็มีกุติก็มี จีวรก็มียารักษาโรค ก, ก็มีท่านก็เลยเอาปัจจัยที่ญาติโยมมาทําบุญนี้ไปช่วยทางโลกแทนทางโรงพยาบาลเขาขาดแคลนรถพยาบาลขาดแคลนเครื่องไม้เครื่องมือท่านเขาก็มาขอจากท่านท่านก็เอาไปช่วยเขาอันนี้เราก็ต้องดูเหตุการณ์ด้วยไม่ใช่อยู่ที่ความตั้งใจของเราคือบุญมันแทนก็นได้ไม่ต้องกลัวหรอกบุญนี้มันจะทาให้เราอิ่มใจสุขใจ แล้วจะทําให้เราไม่ต้องอยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรเราจะอยู่แบบมีแค่ปัจจัยสีน่นี้เราก็มีความสุขได้แล้วไม่ต้องมีสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราถ้าเรามีบุญนะครับงนั้นบุญคือความสุขใจอิ่มใจจะทําทในรูปแบบไหนก็ทําให้เราได้ความสุขใจอิ่มใจเหมือนกันในปัจจุบันและในอนาคตที่เราตายไป แต่เวลาที่เรากลับมาเกิดมันก็มีสิ่งที่เราทำอะไรไว้มันก็จะกลับมาหาเราถ้าเราทำทานจะละเงินทองมากเดี๋ยวกลับมาก็จะมีเงินทองมากมายกลับมาหาเราถ้าเราช่วยเหลือคนมากกลับมาเราก็จะมีเพื่อนมีคนมาคอยช่วยเหลือเราอันนี้ก็เป็นผลพลอยได้แต่ผลหนักที่เราต้องการก็คือบุญคือความอิ่มใจสุขใจ ถ้าเรามีบุญมีความสุขใจอิ่มใจถึงแม้เราจะอดอยากขาดแคลนเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนถึงแม้เราจะไม่มีคนมาคอยช่วยเหลือแล้วเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรถ้าเรามีบุญความสุขใจอิ่มใจฉะนั้นขอให้เราทำบุญไปทำแบบไหนก็ได้แล้วแต่เหตุการณ์ที่จะทำให้เราต้องทำเราก็ทำไปคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ทำบุญกับสถานที่รับบริจาคหนึ่งหมื่นบาทแต่รู้กันกับเจ้าหน้าที่ขอให้เขาออกใบอนุโมทนาบาตรให้สี่หมื่นบาทเพื่อไปลดหย่อนภาษีเพราะไม่อยากเสียภาษีมากเพราะว่าจ่ายไปแล้วรัฐบาลก็เอาเงินไปโกงกินกันคิดแบบนี้ได้ไหมคะแล้วเราตายไปจะต้องได้รับผลอย่างไรคะคือหนึ่งมันเป็นการทำบาปเพราะเป็นการ หลอกลวงโกหกสองเป็นการ เ, าเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาคือเอาเงินที่เขาจะลดหย่อนภาษีมาโดยที่ไม่ได้เป็นไปตามความเป็นจริงก็เป็นเหมือนโกหกแล้วก็ลักทรัพย์อันนี้ไม่ควรจะทาแล้วก็บุญที่เราได้ก็ไม่ได้ไม่ได้มากเท่ากับเวลาที่เราไม่ได้ไปขอให้เขาลดหย่อนภาษี เพราะว่าถ้าเราให้เขาลดหย่อนภาษีเช่นสมมุติเราทำหมื่นหนึ่งแล้วเขาให้เราคืนมาพันหนึ่งเราก็ทําแค่เก้าพันเท่านั้นเองบุญแทนแทนที่จะได้บุญหนึ่งหมื่นก็แคได้บุญเก้าพันแทนถ้าอยากจะได้บุญหนึ่งหมื่นก็ไม่ต้องไปขอลดหย่อนภาษีเราก็จะได้บุญหนึ่งหมื่นเต็ ม, เ ต, มเต็มที่งั้นาการทําบุญนี้อย่าไปหวังเอาถ้าอยากจะลดหย่อนก็ทําแค่เก้าหมื่นเก้าพันก็พอ มันเอาไปหลอกเขาโกหกเขาให้เข้ามาลดหย่อนภาษีให้กับเราถ้าเราอยากจะทําบุญแค่เก้าพันเราก็ทําแค่เก้าพันอย่าไปทำหมื่นหนึ่งแล้วก็ไปขอลดหย่อนภาษีกลับมาพันหนึ่งมันก็เท่าเดิมแล้วดีไม่ดีถ้าไปโกหกเขาไปช่อโกงก็จะได้บาปกลับมาอีกด้วยยันได้ไม่คุ้มเสียการทําบุญนี้ต้องอย่าไปทําด้วยการกระทําบาปเพราะจะขาดทุนมากกว่ากําไร เช่นเราไปขโมยเงินคนอื่นมาทําบุญเนี้ยมันมันมันมันขาดทุนเพราะว่าเราไปขโมยเราไปรักทรัพย์เราได้ทั้งบาปและได้ทั้งบุญบุญเราก็ได้เงินที่เราไปทําเราก็ได้แต่บาปมันอาจจะแรงกว่าบุญที่เราทํากันถ้าไม่มีเงินก็อย่าไปทําำไปนั่งรักษาศีล น, นั่งอยู่เฉยก็มีศีลละเอไม่นั่งการนั่งเฉยเฉยนี่ไม่ทําอะไรนี่ก็เป็นการมีศีลละ พอเวลานั่งเฉยๆก็ไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ไปรักทรัพย์ไม่ได้ไปพูดผิดประเวณีไม่ได้ไปพูดปดไม่ได้ดื่มสุรายาเ ม, ม า, เ, าเราก็มีบุญที่ดีกว่าการไปทำบุญนะบุญที่ทเกิดจากการทำทานนี้น้อยกว่าบุญที่เกิดจากการรักษาศีลการทำบุญนี้ไม่สามารถป้องกันไม่ให้เราไปเกิดนยอบายได้แต่การรักษาศีลนี้จะทาให้เราไม่ต้องไปเกิดนยอบาย ทำบุญเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ยังทำบาปอยู่ก็ยังต้องไปใช้กรรมในอบายอยู่แต่ถ้ารักษาศีลได้แต่ไม่ได้ทำบุญแม้แต่บาทเดียวก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายเพียงแต่ว่าจะไม่ได้ไปสวรรค์เท่านั้นเองถ้าไม่ได้ทำบุญถ้าไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบาปตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เลยคาถามจากผู้ปฏิบัติธําใหม่นะครับการทาสมาธิทาอย่างไรการเดินจงกรมทาอย่างไร กานั่งสมาธิก็นั่งขัดสมาธิหลับตาแล้วก็ให้มีสติรู้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นให้รู้อยู่กับพุทโธพุทโธหรือให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือจะเอาทั้งสองอย่างผนกันก็ได้บางคนดูลมแล้วก็พุทโธไปด้วย เช่นหายใจเข้าก็ว่าพุทธหายใจออกก็ว่าโทอันนี้ก็ได้หรือจะใช้พุทโทอย่างเดียวไม่ใช้ลมเลยก็ได้ก็พุทโทพุทโทไปอยู่กับคําบริกรรมไปบางคนก็ไม่เอาคำบริกรรมเอาแต่ลมอย่างเดียวก็ดูลมหายใจเข้าออกไปได้สามวิธีนี่คือการนั่งเพื่อให้ใจสงบต้องให้มีอะไรกํากับใจเพื่อให้ใจไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าไม่มีพุทโทไม่มีลมหายใจมาคอยกํากับ เดี๋ยวก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ใจก็จะไม่สงบนี่คือการนั่งสมาธิการเดินจงกรมก็เช่นเดียวกันก็คือการควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆเวลาเดินไปเราจะใช้ดูเท้าที่เราเดินเป็นเป็นเป็นที่ตั้งของสติก็ได้เช่นเดินก้าวเท้าซ้ายก็รู้ว่าซ้ายก้าวเท้าขวาก็รู้ว่าขวาซ้ายขว า, ซ, า, ขวาซ้ายขวาไป เพื่อไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆหรือจะเดินไปแล้วก็บริกา ร, รพุทโธพุทโธไปแทนก็ได้พุทโธพุทโธโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องใช้เท้าเป็นที่ตั้งสติก็ได้ใช้พุทโธก็ได้เป้าหมายก็คือคอยควบคุมความคิดไม่ให้ใจลอยไปรอยมากับความคิดต่างๆแล้วเวลาเรามานั่งสมาธิใจจะได้นิ่งได้ง่ายและสงบได้เร็ว คำถามฝากถามนะครับการพิจารณาอสุภะเพื่อดับราคะนั้นทําให้ราคะมีระยะห่างออกไปแต่มีแต่มีมากวนใจเป็นช่วงๆและก็ได้ใช้ภาพอสุภะแก้ไขก็พอผ่านไปได้ในระหว่างที่ไม่มีราคาเกิดขึ้นได้ใช้อารมณ์จากภาพอสุภะแต่ภาพอสุภาพอสุภะนั้นไม่มีความแน่นแฟ้นในจิตใจต่อเมื่อมีราคะเกิดขึ้น จึงใช้จักภาพอสุภะจะมีความแน่นแฟ้นจับติดจับติดในจิตในใจมากกว่ากราบขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าควรจะทาอย่างไรจึงจะมีภาพอสุภะฝังอยู่ในใจแบบที่พระอาจารย์เทศเพื่อไม่ให้มีราคะมากวนใจก็ต้องมันพิจารณาอยู่บ่อยๆนึกบ่อยๆเหมือนกับการท่องสูตรคูนถ้าเราท่องบ่อยๆต่อไปมันก็จะฝังอยู่ในใจ พอเราต้องการจะใช้สูตรคูณมันก็มาทันทีก็เหมือนกับภาพอสุภาษต่างๆถ้าเราเราลิกอยู่บ่อยๆนึกถึงอยู่บ่อยๆต่อไปมันก็จะฝังอยู่ในใจพอเราต้องการนึกถึงภาพนั้นมันก็จะขึ้นมาทันทีมันเป็นการจำจำภาพเหมอือนกับเราจำสูตรคูณถ้าเราจำสูตรคูณได้เวลาเราจะคิดเลขคูณหารเราก็ใช้สูตรคูณได้ทันทีถ้าเราอยากจะใช้อสุภาเราก็ต้อง เราเลิกถึงภาพอสุภะอยู่เรื่อยๆจนให้มันไม่หลงไม่ลืมให้มันจำได้พอเห็นใครนี่นึกถึงอสุภะทันทีก็เห็นทันทีอย่างนี้ถ้าเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็สามารถใช้อสุภะมาดับมันได้ทันทีคำถามเจ้าคุณลิลลี่นะครับการแยกรูปแยกนามคือทำอย่างไรจะสังเกตรู้ดูไดจากอะไรคก็ต้องนั่งสมาธิเท่านั้นน่ถึงจะแยกกายกับใจได ร่างกายกับใจนี้เวลาเวลามันคิดนี้มันจะมารวมกันใจจะส่งกระแสมารวมที่ร่างกายเพื่อจะได้ใช้ร่างกายพาไปดูรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆดัะนั้นเวลาที่เราต้องการแยกเราต้องดึงดึงใจให้ออกจากรูปเสียงกลิ่นรสวิธีที่จะดึงก็ใช้พุทโธนี้ดึงให้หยุดความคิดเพราะความคิดมันจะไปคิดหารูปเสียงกลิ่นรสนั่นเอง เราวันวันึคิดถึงเรื่องอะไรก็คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยากจะดูนั่นอยากจะฟังนี่อยากจะดื่มนั่นอยากจะรับประทานนี่นี่เกิดมาจากความคิดของเรามันจึงดึงจิตให้มารวมอยู่กับกายถ้าเราต้องการแยกกายออกจากจิตเราก็ต้องใช้พุโทโธหยุดความคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธแล้วจิตก็จ ะ, อะถอนกระแสที่ไปเกาะติดอยู่กับตาหูจมกูกลิ้นกาย เข้าไปสู่ใจพอใจสงบเต็มที่ก็จะแยกออกจากกายอย่างเต็มที่ร่างกายตอนที่ใจสงบก็จะหายไปเหลือแต่ใจคือตัวรู้ผู้รู้อยู่ตามลำพัง คำถามจากคุณเจมส์นะครับเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับอาณาปานสติเขาบอกว่าพอดูลมหายใจ น, นิ่งแล้วขั้นต่อไปคือกำหนดมโนภาพขึ้นมาที่ปลายจมูกแล้วเอาจิตไปกำหนดที่มโนภาพนั้นแทนลมหายใจไม่ทราบว่าเท็จจริงประการใดครับถ้ามันสงบแล้วก็ไม่ต้องไปทาอะไรแล้วถ้าจิตสงบนิ่งมันก็สงบมันสาเร็จประโยชน์แล้ว ถ้ามันยังไม่สงบก็อาจจะต้องกำหนดเพื่อที่ให้มันให้มันสงบแต่การกำหนดก็กำหนดดูลมไว้ที่จุดเดียวเช่นที่ปลายจมูกให้อยู่ตรงนั้นไปตลอดลมเข้าก็รู้ว่ากำลังเข้าผ่านทางจมูกที่ปลายจมูกเวลาลมออกมันก็สัมผัสอยู่ที่ปลายจมูกก็ให้อยู่ตรงจุดนั้นจุดที่ลมสัมผัสเข้าออกไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจิตก็จะสงบ พอจิตสงบแล้วบางทีร่างกายก็หายไปลมก็หายไปเหลือแต่ใจคือผู้รู้อยู่ตามลำพังอันนี้คือการปฏิบัติคะคำถามจากคุณบูมนะครับ ผมไปถือศีลแปดที่วัดแล้วทําสมาธิได้ปิติรู้ว่าสุขมากและมีเมตตามากแล้วความกลัวหายไปหมดแต่ตั้งอยู่ได้สองถึงสามวันจากนั้นกลับบ้านมาถือศีลห้าแต่ทตําสมาธิยังไงก็เข้าปิติไม่ได้อีกไม่ทราบว่าเกี่ยวกับศีลแปดหรือเปล่าครับก็เหมือนกับเอาน้ําไปแช่ในตู้เย็นเวลาแช่ในตู้เย็นน้ามันก็เย็นพอเอาน้ำออกจากตู้เย็นมันก็หายเย็นครับ จิตเราก็เหมือนกันเวลาไปอยู่วัดไปถือเศีรแปะมันก็เย็นสงบมีความสุขพอเรากลับมาบ้านก็เหมือนออกจากตู้เย็นมารับรู้เรื่องร้อนๆต่างๆเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องการไอความเย็นของใจก็หายไปหมดนั่นดงนั้นต้องพยายาม รักษาสิ้นแปดที่วัดจะดีกว่ารักษาสิ้นแปดที่บ้านเพราะที่บ้านมันมีแต่เรื่องร้อนๆที่จะมาทําให้เราไม่สามารถรักษาศิ้นแปดได้ไม่สามารถทําใจให้สงบได้คําถามจากคุณปริยานะครับยังไม่เคยไปฝึกนั่งสมาธิที่ไหนเลยฝึกนั่งเองที่บ้านได้ไหมคะได้ถ้าที่เรานั่งมันสงบไม่มีอะไรมารบกวนเราเช่นถ้าเรามีห้องนอนของเราแล้วเราสามารถ ป็ดประตูหน้าต่างเปิดเครื่องป่าประกาศได้ไม่รับรู้โลกภายนอกก็สามารถนั่งสมาธิในห้องอย่างนั้นได้จะคุณอดีพงศ์นะครับตอนเรานั่งสมาธิเอาทุกขเวทนาสอนจิตสอนใจได้ไหมครับนั่งสมาธิแล้วเอาทุกขเวทนาสอนจิตสใจแปลว่าไงสออนจิตสอนใจอ๋อก็ได้ถ้าเวลานั่งแล้วเราทุกข์ก็สอนว่า ทุกนี้เกิดจากอะไรกันนะทุกเกิดจากความเจ็บของร่างกายหรือทุกนี้เกิดจากความอยากให้ร่างกายหายเจ็บนอันนี้เราต้องแยกให้ออกเพราะว่ามันมีความทุกข์สองแบบทุกทางกายกับทุกทางใจทุกทางร่างกายนี้เราไม่สามารถที่จะไปกําจัดมันได้มันมาเองไปเองเวลาปวดท้องมันก็มาเองเดี๋ยวเวลามันหายมันก็หายปวดเองแต่ทุกทางใจนี้มันเกิดจากตอนที่เกิดการปวดท้อง พ อ, อปวดท้องแล้วก็เกิดความอยากให้ความปวดท้องหายไปเร็วๆมันก็เลยเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเออความทุกข์ทรมานใจนี้เราหยุดได้โดยการยอมรับความทุกข์ทางร่างกายไปว่าเออมันเป็นธรรมดาความทุกข์ทางร่างกายมีเกิดมีดับไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้แต่เราสามารถห้ามความทุกข์ทรมานใจได้ถ้าเราไม่มีความอยากให้ทุกข์ทางกายหายไป อยู่กับมันไปนี่คือการสอนใจเรื่องของความทุกข์จากคุณเพ็ญพันธ์นะครับจะอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งได้อย่างไรคะก็อยู่เฉยๆไว้ก็ขัดแย้งกันไป อ, อ, อีกท่านหนึ่งนะครับจําจชื่อไม่ได้นะครับาถามว่าอ น, นิสงส์จากการนั่งสมาธิระหว่างฟังธรรมเป็นอย่างไรครับ คือการฟังธรรมนี้ก็เป็นการนั่งสมาธิอีกรูปแบบหนึ่งคือบางทีเราไม่มีกําลังที่จะพุโทโธหรือกลังที่จะดึงใจให้อยู่กับลมหายใจได้แต่เรามีกําลังฟังเสียงธรรมได้เพราะมันง่ายกว่าการฟังเสียงธรรมนี่เพียงแต่นั่งเฉยๆแล้วก็ฟังไปเสียงธรรมก็เป็นธรรมเป็ น, เ ป, นเป็นเหตุที่จะทําใจให้นิ่งให้สงบเพราะเรื่องของธรรมนี้เป็นเรื่องของของความเย็นไม่ได้เรื่องของความร้อน พอเราฟังธรรมไปใจของเราก็จะสงบได้แต่ถ้าเรานั่งนี่เราไม่มีกำลังที่จะพุทโธเองไม่มีกำลังที่จะดูใจดูลมหายใจเพราะมันจะไปนู่นมานี่อยู่เรื่อยๆแต่การฟังธรรมนี้กับทําให้เราสามารถเกาะติดอยู่กับเสียงธรรมได้เพราะมันง่ายเพราะเราเคยฟังเสียงอยู่มาตลอดเวลา การฟังเสียงมันจะง่ายกว่าการดูลมหรือการอาพุทโธมันก็จะทําให้ใจเราสงบนิ่งได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่สงบเท่ากับพุทโธหรือกับการดูลมหายใจแต่มันก็จะทําให้เราสงบในระดับที่เราจะสามารถไปดูลมต่อได้หรือไปพุทโธต่อได้คําถามเจ้าุลสุจริตนะครับ ขอถามเรื่องการถวายสังฆทานจำนวนมากๆและมีการแตะตัวแบบต่อต่อกันคนที่อยู่ไกลๆได้บุญไหมหรือไม่ต้องแตะตัวแต่พนมมือไว้ก็ได้บุญเหมือนกันเพราะใจคิดว่าได้ทำตามเจตนาที่ได้ถวายสิ่งของเข้าวัดและพระผู้รับก็รับทราบเรียบร้อยคือบุญเกิดขึ้นจากสิ่งสิ่งที่เราเสียสละไปเช่นเงินทองเช่นเราบริจากเงินร่วมกันแล้วมีคนหัวหน้าเขาเอาไปถวายอย่างนี้ เราก็ได้บุญเราไม่ต้องไปแตะต้องตัวกันหรืออะไรเพราะเราได้ทําเราได้เสียสละเงินทองของเราไปแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้มาวัดเราก็ได้บุญเหมือนกันเช่นเราไม่สบายมาไม่ได้ฝากเพื่อนเอาเงินมาทําบุญแทนเราก็ได้บุญเหมือนกันการแตะต้องนี้มันเป็นเป็นความเชื่อกันไปอย่างไรว่าเอาจะจะได้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยเหมือนขึ้นรถเมลหรือขึ้นรถอะไรก็ต้องเกาะกันไปก็คิดไปตามภาษาเอา คนที่ไม่เข้าใจเรื่องของบุญแต่บุญที่บุญคือเกิดจากการเสียสละของที่เป็นของเราให้แก่ผู้อื่นพอเราเสียสละของนั้นไปแล้วมันเป็นบุญขึ้นมาแล้วคําคคถามจะคุณกิติยานะครับนอกจากคำภาวนาว่าพุทโธแล้วสามารถใช้คำภาวนาอย่างอื่นได้ไหมเจ้าคะเช่น 1 2 1 2 1สองหนึ่งสองหนึ่งสอ ง, ห, ง, สองหรือไม่ภาวนาเลยหรือคำอื่นๆได้ไหมเจ้าคะได้ก็ใช้สังโฆก็ได้ธรรมโมก็ได้หรือพุทธังสรนังกัชามิก็ได้หรืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้อย่าไปคิดตัวเลขเดี๋ยวมันจะไปคิดถึงเงินในบัญชีแเดี๋ยวมันจะกลัวเดี๋ยวจะหลงทางไปให้คิดอยู่กับธรรมะจะดีกว่า พุทโธธัมโมสังโฆหรือคิดถึงความตายก็ได้อต า, ต, าตายตายตายตายเกิดมาเราต้องตายร่วงพ้นความตายไปไม่ได้เกิดมาเราต้องตายร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ให้คิดอย่างนี้ก็ได้คําถามจากคุณพงษ์นะครับนอนฟังเท่าของพระาอาจารพอดีต้องตัวไหนไตายไม่เป็นไรหมดเวลาพอดีอครับฟอก่อนก็ได้ครับเนี่ย ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาพอดีมีเหตุที่ทำให้เราต้องปิดประชุมขอให้ท่านจยงยำรสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิพิจนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทา